การหนาวๆแบบนี้นะลองฟังเรื่องหนาวหนาดูชาวฝรั่งเศส ค, คนหนึ่งนะมาประมาณห้าสิบปีที่แล้วขับเครื่องบินก็เป็นเครื่องมีประมาณหนึ่งที่นั่งสองที่นั่งพรา่าเครื่องบินไปตกแถวเทือกเขาแอนดีสเทือแอนดีสนี่เป็นเทือกเขาที่สูงใน ที่อเมริกาใต้ตกนี่ก็เป็นบริเวณที่มันหิมะนะปกคลุมเพราะมั น, มนสูงมากสมัยนั้นมันก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องกระเสิกระสนช่วยตัวเองแล้วก็พยายามที่จะ เดินลุยหิมะเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือแต่ว่าเดินไปสามวันก็ยังไม่เจออะไรเลยเรือแรงก็หมดลงไปเรื่อยๆอาหารอุปรกรณ์ต่างๆก็มีน้อยมากลำพังนี่แค่ลุยหิมะนี่วันหนึ่งก็ลาเต็มทีแล้วนะ นี่เดินสามวันเต็มๆก็ยังไม่ไม่เจอใครที่จะช่วยเหลือได้ก็ลาจนหมดแรงขายงเดินก็ล้มฟุบเลยแต่ว่า <c oughs> ในใจนึ่งก็บอกตัวเองว่าเนี่ยถ้าหากว่าไม่เดินต่อ น, นี่ตายแน่มีมาทั้งนั้นนะ ก็พยายามกัดฟันเดินเดินไปได้สักพักพักใหญ่้วก็ก็หมดแรงไปต่อไม่ไหวก็เลยคิดว่าตายแน่ก็เลยลำลาลูกเมียนะในตอนที่เขาเตรอนมตัวจะตายอยู่แล้วนี่เขาก็ มีความคิดหนึ่งฉุกขึ้นคิด ข, ขึ้นมาได้ว่าถ้าก็ตายตรงจุดนั้นเนี่ยคนคงจะหาศพไม่เจอแล้วถ้าหาศพไม่เจอนี่เมียเขาก็คงจะเดือดร้อนเพราะว่าจะไม่ได้รับเงินประกันเงินประกันก็ก้อนใหญ่ทีเดียว เมียต้องใช้เวลาัึงสี่ปีนะกว่ไปได้เงินประกันนะเมื่อต่อเมื่อศาลเนี่ยตัดสินว่าเป็นเขาเป็นบุคคลสูญหายนะถึงจะบริษัทประกันเขาจะจ่ายเงินเขาก็นึกต่อไปโอ้ถ้าเมียนี่รอถึงสี่ปีไปได้เงินประกันคงจะเดือดร้อนมากเลยด้วยความสงสารเมียลูกนะเขาก็เลยพยายามที่ว่าเนี่อยอย่างตายตรงนั้นไม่ได้ ต้องไปตายในจุดที่คนเขามองเห็นหาศกง่ายก็เหลือไปเห็นขินนะเป็นคล้ายๆเป็นม อ, อยอยู่สูงไงมันไม่สูงมากนะแต่ก็โดดเด่นอยู่ห่างไปประมาณสักร้อยเมตรก็เลยคิดว่าไปตายตรงนั้นดีกว่าเป็นนอนตายข้างบนนะ่ะ เผื่อมีเครื่องบินผ่านมาเห็นก็จะได้พบศพเขาได้ง่ายก็เลยกัดฟันรวบร ว, วมกำลังลุยหิมะเดินในสุดก็ไปถึงนะถินก้อนนั้นนะแต่ว่าสุดท้ายเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นนะเขาเดินต่อไปอีกแล้วเขาเดินเนี่ยต่อไปเนี่ย ถึงร้อยกิโลจนกันทั่งไปมีคนไปเจอเขาเขาก็เลยรับการช่วยเหลือแล้วก็เลยรอดตายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งนะคนทึ่งกำลังจะหมดเรี่ยวหมดแรงนะแต่ว่าสุดท้ายนี่ก็ก็สามารถเอาชีวิตรอดได้อันนี้พ่ออะไรนะพ่อ เขานึกถึงลูกเมียแล้วเกิดความสุดเป็นห่วงอยากจะช่วยความที่อยากจะช่วยลูกเมียมันทำให้เรี้ยวแรงเขานี่มันซึ่งทำเท่าจะหมดแล้วมันก็กลับกลับพุ่งขึ้นมาเดิมทีเขาคิดว่าแค่เดินแค่ลุยไปให้ได้ร้อยเมตรนี่ก็ยากแล้ว พอใกล้เรียกว่าใกล้จะตายแล้วแต่พอไปถึงก็คงพะว่าจริงๆยังมีเร่อดแรงอีกเยอะจริงๆกําลังกายนี่มันยังมีอยู่พอใจมันฮึดสู้ขึ้นมานี่มันก็สามารถที่จะกระตุ้นกายนี่ให้ให้ให้ลุยฝ่าความหนาวแล้วก็ระยะทางที่ไกลได้อาจจะเป็นเพราะว่า พอเดินไปสักพักนี่ ห, หิมะ ก, ก็น้อยลงนะทางก็เดินสะดวกมากขึ้นก็เลยสามารถที่จะไปได้ยาวขนาดนั้นเป็นร้อยกิโลอันนี้มันก็เป็นเครื่องชี้นะว่าเนี่ยใจคนนี้ก็สำคัญมากนะอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสุดนะสำเร็จแล้วที่ใจหรือสำเร็จได้ด้วยใจ บางทีกายมันยังมีเรื่องมีแรงเนแต่พอใจมันท้อเนี่ยก็เหมือนกับว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตายดีกว่านะแต่จริงๆเนี่ยกายมันยังพอไปไหวแต่ใจไม่สู้พอ แ, แต่พ อ, อใจเกิดสู้ขึ้นมาจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนี่มันก็สามารถจะฉุดกายนี่ไปได้อันนี้เลยว่าเป็น ในการที่เขานึกถึงเมียว่าจะเดือดร้อนจะลำบากทำให้อยากจะช่วยเนี่ยอันนี้ถ้าพูดในแง่ธรรมะคือเกิดเมตตาขึ้นมาเมตตาเมตตามันก็เป็นตัวฉุดนะให้ให้ความตัวกตัวฉุดให้มีเรื่องมีแรงแล้วก็ทำให้ความทุกข์ของเรามันเล็มันลดน้อยถอยลง คนเรารนึกถึงคนอื่นนะความทุกข์ที่ตัวเองมีมันก็จะน้อยลงมันก็จะเล็กลงจนอยู่ในระดับที่พอทนได้อย่างที่เคยเล่าเนี่ยน้องโยเนี่ยเด็กชายวัเจ็ดขวบป้าซ้อนป้าชวนให้น้องโยซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมืองนะน้องความประถมบพราไม่ถึงันนะ เกิดอุบัติเหตุรถมาชนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์พังยับเยินป้านี่ก็ขาหักไปแขนหักไปหนึ่งข้างแต่น้องโยงนี่หนักกว่าใครขาหักนี่ขาเละเล ย, ก, เลลยก็รถพยาบาลก็รีบพาส่งนะโรงพยาบาลตลอดทางนี้ป้าก็ร้องโอดโอยแต่น้องโยงนี่ไม่ร้องเลยจนถึงห้องผ่าตัดหมอผ่าตัดเสร็จ ก็แปลกใจถามน้องโยว่าทำไมน้องโยไม่ร้องน้องโยก็ตอบว่ากลัวป้าเสียใจครับน้องโยได้เห็นได้ยินป้านี่ร้องโอดโอยนี่น้องโยก็สงสารป้านี่ไม่อยากจะเพิ่มความทุกข์ให้กับป้านั่นเด็กก็รู้นะว่าถ้าตัวเองร้องนี่ป้าคงจะทุกข์ทรมานยิ่งกว่าเดิมก็เลยพยายามอดกลั้นเอาไว้ ในความที่คิดถึงป้าเนี่ยสงสารป้าเนี่ยมันก็ทําให้ความเจ็บความปวดของตัวเองกลายเป็นปเรื่องเล็กลงนะความเจ็บความปวดของป้าเป็นเรื่องใหญ่กว่าอันนี้ก็เรากเกิดเมตามนนะมตามันนะเมตตามเมตตามก็มีอนุภาพเหมือนกันมันทําให้ความทุกข์ของเราเล็กลงมันทําให้เกิดกําลังใจนะเกิดความ เกิดความเพียรเกิดความอดทนมากขึ้นอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนเราเนี่ยสามารถจะผ่านความทุกข์ไปไดนะ้เวลาเรานึกถึงคนอื่นที่เดือดร้ อ, กอนกว่าเราบางครั้งตั้งคาถามว่าอย่างนี้มันเป็นการส่งติดออกนอกหรือเปล่านะเวลาปฏิบัติธรรม เวลาเจริญสติแล้วก็หรือว่าเรามาฟังธรรมก็มักจะได้ยินครูบาจารย์ว่ อ, อย่าส่งจิตออกนอกนะให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้มันก็ไม่เหมือนกันทีเดียวนะระหว่างการส่งจิตออกนอกหรือการนึกถึงคนอื่นที่เขาลำบากกว่าเราเนี่ยดูเหมือน ค, คลายกันแต่จริงจงมันไม่คล้ายหรอกหนึ่งสิ่งที่ไม่คลายก็คือว่าผลต่อจิตใจของเราคือ เ, าเราคิดถึงค น, นที่เขาเดือดร้อนกว่าเราเนี่ย หรือไม่ใหญ่เขาเดือดร้อนเนี่ยมันมันทำให้ตัวตัวเราเล็กลงนะมันทำให้จิตมันไม่เก่อเกี่ยวยดกับกับกับตัวกูเนี่ยมันไปไปนึกถึงคนอื่นแทนแต่เวลาเราพูดว่าอยากส่งจิตออกนอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็หมายถึงว่าการส่งจิตออกนอกเรามันไปไปเสริมตัวกูให้มากขึ้นหรือมันไปแวรล้อนที่ตัวกูนะ ฉันนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตนะที่เจ็บปวดมีคนเขาต่อว่าด่าทอเราหรือว่าเกิดการสูญเสียคนรักทำให้เรานะต้องอยู่ลำพังคนเดียวอะไรต่างเงี้ยหรือว่าทำผิดทำพลาดที่ไปไปทำไม่ดีกับบุปการีสิ่งที่สิ่งที่คิดนึงจะคิดแม่ล้อมตัวกลัวแล้วก็ผลก็คือทำให้หรู้สึก เป็นทุกข์มากขึ้นนะล อ, องสังเกตดูเวลาเราสรงจิตออกนอกเนี่ยในในขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยมันมัน้แล้วแต่เป็นการคิดในเรื่องที่แวดล้อมตัวกลวแล้วก็คิดไม่ถูกด้วยก็ทำให้เกิดเกิดความทุกข์ขึ้นมา เ, นเวลาเรากังวลวิตกรกรวนกระวายเราก็มักจะเป็นเพราะคิดถึงเรื่องอนาคต มันก็เป็นเรื่องตัวกลเป็นส่วนใหญ่เอาแค่ว่ารถติดเนี่ยรถติดนี่โอยฉันจะไปถึงที่หมายทานันไมหรือฉันตกครื่องบินหรือเปล่าหรือว่าเราทำงานเนี่ยก็เครียดนะเมื่อไหรจะเสร็จเมื่อไหรจะเสร็จฉันจะได้ไปเที่ยวหรือว่าเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงเจนน้านายเขจะว่ายังไงเพื่อนอเพื่อรวงงานเขาจะ เห็นด้วยกับฉันไหมเนี่ยนี่มันก็เป็นเรื่อ ง, องการส่งจิตออกนอนในศะาสตร์ที่ไปย้ำนะทำให้ตัวกลัวเป็นทุกข์มากขึ้นมันต่างจากการที่เรานึกถึงคนอื่นหรือนึกถึงสิ่งที่เราศรัทธานับถือในทศ า, าสนานี่มี มีกรรมฐานหลายอย่างนะทักษ า, าจารย์ก็จำแนกแจกแจงว่ามีกรรมฐานเนี่ยสี่สิบชนิดนะการเจริญสติก็แค่เป็นหนึ่งนะหรือเป็นประเภทหนึ่งเท่านั้นเองกรรมฐานสิบอย่างแร ก, กเรียออนุสติสิบนะอนุสติสิบก็คืออะไรก็คือการระลึกนึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์ เป็นต้น ห, dong, หรือแล้วรูนึกถึงความดีที่ได้ทํา ล, ล้วึกถึงเทวดานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขารนุสตินึกถึงความดีที่ได้ทํเวลาศีลานุสตินึกถึงฐานที่บําเพ็ญที่เคยทําก็เรียกจารานุสตินึกถึงเทวดาอารักษ์ก็เรียกว่าเทวดานุสติเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็ถ้า แต่จะว่าไปมันก็คล้ายๆกับการส่งจิตออกนอกนะแต่มันก็แตกต่างกันแล้วก็ให้ผลไม่เหมือนกันด้วยให้ผลตรงข้ามกันเลยการที่เราเลกนึกถึงพระผู้ประทรมประสงค์หรือนึกถึงความดีที่ได้ทำเนี่ยก็เป็นความดีแนอดีจารขานนสติการให้ทานการเสียสละเงินทองทรัพย์สินนี่ก็เป็นเรื่องการกระทํเนนาเนดีแต่ว่ามันพอนึกไปแล้วนี่มันทาให้เกิด ปิติบ้างทําให้เกิดความเกิดปัสสติบ้างหรือทําให้เกิดความสงบเย็นในจิตใจมันเป็นการนึกที่ทําให้ตัวตนเนี่ยมันมันน้อยลงหรือว่ามีความยุติในตัวตนน้อยลงหรือว่าจะลืมตัวตนไปเลยอย่างเช่นเวลาลนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ จิตใจก็อิ่มเออตอนนั้นเนี่ยมันก็ว่าใจไปเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่เราศรัทธาซึ่งมันก็ทำให้เกิดผลดีทั้งก่อต่อร่างกายใ จ, ใจิตใจยาวจนแกปวดนะเป็นจะเป็นมะเร็งที่กระเพาะนะแล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล นะมีช่วงสุดท้ายก็ปวดมากนะยาก็เอาไม่อยู่พยาบาลไปถึงก็การที่จะถามว่าปวดกี่คะแนนะตามมาตรฐานตามระเบียบที่นิยมทำกันแกก็กถามว่ายายชีวิตนี้ทำอะไรแล้วมีความสุขมากที่สุดแกก็ตอบว่าหล่อพระหล่อพระแกเคยหล่อพระเมื่อสึอกว่าปีก่อนนะ คนอิสานนี้ได้หล่อพระนี่มันเป็นมหากุศลเนี่ยเพยาบาก็เลยได้โอกาสเลยก็ถามว่าเนี่ยวันนั้นยายจาได้ไหมว่ายายใส่เสื้อสีอะไรนุ่งผ้าสีอะไรก็จําได้หมดนะพยาบาลก็เลยชวนคุยเรื่องหล่อพระซักถามโนนนี่นะแวดวนเวียนอยู่กับเรื่องหล่อพระนี่แหละแก <c oughs> คุยคุยได้ประมาณสิบนาทีสิบยี่สิบนาที แล้วแกก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยแกหมอแกเเพว่าหมอแปลกนะมันหายปวดเลยตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ยายทำก็คือการระลึกนึกถึงพระเจ้าหรือว่าการระลึกนึกถึงความดีหรือว่าจากาที่ได้ทำก็คือพุทธานุสติจากาคานุสติหรือว่าศีลานุสติ อันนี้มันก็ตางจากการส่งจิตออกนอกนะถ้าส่งจ้าออกนอกเนี่ยโอ้ยมันจะทุกข์มากเลยนึกถึงลูกนึกถึงว่าใครจะมาหาเงินมาเอาเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลฉันนึกถึงวันตายของตัวเองนะบางทีนึกถึงว่าลูกจเอาเงนที่ไหนมาจ่ายเงินนะไอ้คิดแบบนี้มันยิ่งทําให้ปวดทั้งกายปวดทั้งใจหนักขึ้นนะแต่พอเรานึกถึง พ ร, พ, พระพุทธเจ้านึกถึงบุญที่เคยบําเพ็ญ น, นะหรือความดีที่ได้ทำเนี่ยพุทธานุสติจารานุสติสีลานุสติเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปติปราโมดโดยเพราะการรู้เรื่องถึงพระพุทธธรประสงค์หรือสิ่งที่ตัวเศรัทธาเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าเนี่ยศรัทธาทําให้เกิดปราโมดปราโมดก็คือความ เบิกบานใจปราโมททาให้เกิดปิติความอิ่มเอิบปิติทําให้เกิดปสัสสติความผ่อนคลายกายและใจแล้วทาให้เกิดสุขนะแล้วสุขก็ทําให้เกิดสมาธิคือยายในการ น, นึกถึงพระอาจารย์นี่ก็แกก็กําลังนะเกิดอนุสติขึ้นมาคือพุทธานุสตินะ หรือว่าถ้าจะพูดเป็นการส่งจิตออกนอกก็เป็นการส่งจิตออกนอกในทางที่เป็นบวกนะซึ่งมันช่วยทําให้ทุกข์ที่กําลังเกิดขึ้นนี้รดน้อยถอยลงโ mm hmm. ดยเราครูบาอาจารย์ผู้ว่าอยากส่งจิตออกนอกเ น, กนกี่ยก็หมายคขาว่าไม่ให้เราละเลยสิ่งที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบันอกํากลังทําอะไรอยู่กําลังตามลมหายใจกําลังเดินจงกรมกําลังยกมือสร้างจังหวะกําลังฝึกจิตให้มันรู้กายนะให้มี สติอยู่กับตัวการส่งเสียนอกมันําให้เราละเลยกิจที่กําลังทําอยู่การละเลยกิจที่กําลังทําอยู่เฉพาะหน้าหรือกิจที่ควรทําเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นความหลงแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดเรามีความทุกข์เนี่ยนะอแล้วทํำยังไงที่ทําให้หายทุกข์ได้เนี่ย อันนั้นเป็นสิ่งที่ควรทําไม่ว่าจะเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคนที่เรารักนะที่เราอยากจะให้เขาไม่มีทุกข์เขาประสบความสุขนะหรือแม้กระทั่งนึกถึงว่าเออปวยก็ดีเหมือนกันนะมันทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องสังขารว่าสังขาร น, นี่มัน เป็นทุกอย่างไรบ้างการคิดแบบนี้เนี่ยมันก็ถ้ามันช่วยทำให้พ้นทุกข์แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาเราจะนึกถึงอะไรเนี่ยนะถ้าเป็นการส่งจิตนึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่นึกถึงอะไรก็ตามที่ทำให้เราเนี่ยละเลยกิจที่ควรทำหรือกิจที่กำลังทำอยู่เนี่ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นการส่งเสีย น, นอกที่ไม่ดี แต่ในยามที่เรามีความทุกข์นะแล้วเรานึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้หายทุกข์เนี่ยเช่นทำให้เกิดเมตตาทำให้เกิดความปราพปิจตินะเพราะเราลึกถึงสิ่งที่ศรัทธาเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแลวมันขึ้นอยู่กับกรณีด้วยนะบางครั้งเนี่ยการที่ การที่จะเป็นการตอกย้ำให้เราไม่ละเลยสิ่งที่ควรทำที่กำลังทำอยู่การที่นึกถึงอะไรบางอย่างที่มันพ้นตัวออกไปหรือพ้นออกจากปัจจุบันขณนะไปก็อาจจะจำเป็นไม่ใช่การระลึกถึงอนุสติข้อหนึ่งคือมรณาอนุสตินะหรือมรณะสติเนี่ย มอนัสติหรือมอนานุสติเนี่ยมัน ก, ก็เรู้ถึงความตายของตัวแต่ว่าตอนนี้ตายยังไม่ตายนะความตายเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่การนึกถึงเนี่ยนะนึกถึงวันที่เราต้องตายเนี่ยแม้มันจะเป็นเรื่องอนาคตนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้เราละเลย กิจที่กําลังทําอยู่นะตรงข้ามเลยพอเราเริ่มนึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้ยิ่งคนไขยใส่ใจกับสิ่งที่เรากําลังทํามากขึ้นหรือทําให้เราได้คิดได้สติให้สิ่งที่ควรทําแล้วก็ละเลยก็ยได้หันมาทํานะเช่นการให้เวลากับคนรักนะอันนี้ใครๆก็รู้ว่าสำคัญแต่ว่าละเลยไป ว่ามัวแต่เพลิดเพลินกับงานก็ดีหรือว่าหนักกว่า น, นั้นคือเพลิดเพลินกับความสนุกสนานพอเรารู้ถึงความตายของตัวมันทําให้เกิดได้คิดขึ้นมาว่า เ, เราจะสนุกสนานนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้นะเพราะว่าสักวันหนึ่งก็ต้องตายแล้วตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อาจจะตายพรุ่งนี้มาหลืนนี้ก็ไดนะ้เพราะนั้นเนี่ยไอ้ที่ที่ละเลยก็ได้รีบกลับมาทำไม่ใช่เฉพาะเวลา ไม่ใช่ว่าการอยู่การให้เวลาคนรักอันนี้รวมถึงการทําความดีด้วยการทําหน้าหน้าที่ที่ที่ยังคาค้างอยู่ก็รีบทำซะรวมทั้งการทําหน้าที่ตัวเองด้วยก็คือการเจริญสติการทําสมาธิภาวานาะการฝึกจิตฝึกใจนะอันนี้มันก็การรู้ึถึงความตายแม้จะเป็นการนึกถึงอนาคต ที่ยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ว่ามันกระตุ้นให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเห็นความสําคัญของวันนีนะ้ว่าเป็นโอกาสที่เราจะต้องเร่งรีบทําความดีหรือทําสิ่งที่ดีที่สุดนะนเสียแต่วันนี้มันยิ่งทําให้เราเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นการเจริญรสนสติเนี่ย นที่บางคนไม่เข้าใจบางคนก็ถามว่านี่พุทจาสนให้อยู่กับปัจจุบันทําไมไปนึกถึงความตายมันยังไม่เกิดขึ้นสักหน่อยอันนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันนะไม่ไขัดแย้งกันเราลึกถึงความตายเลึกถึงความไม่เที่ยของชีวิตความไม่จรหลังของตัวเองก็เพื่อได้เร่งกลับมาทําสิ่งที่ควรทําหรือว่าใส่ใจกับสิ่งที่กาลังทําอยู่ งัท่านลองพิจารณาปฏิัตฉิมโอวาผู้เจ้าเนี่ยที่ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมายถึงพร้อมเถิดหรือทํำปรือยช้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเนี่ยแล้วผู้เจ้าบอกว่าเนี่ยสังขารั้มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ยก็พูดให้ให้คนที่อาจจะยังเป็นหนุ่มเป็นสาวนะให้เขาเลึกว่าเขาสักวั น, นเขาต้องแก่นะหรือแม้กระทั่ง คนที่แก่แล้วก็ให้ราลึกว่าสักวันหนึ่งก็จะต้องตายนะไอ้สักวันนึ่งก็คืออนาคตนะสํคาคารทั้งหลาความเสื่อมไปไปธรรมดานี้ก็เป็นเรื่ององการที่เตือนให้เราลึกถึง <c oughs> สิ่งที่พรเจ้ารียกว่าอนาค ต, ตภัยอนาค ต, ตภัยคือภัยที่เกิดขึ้นในอนาคตก็คือความแก่ความเจ็บความป่วยความตายสาหรับคนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวคนที่มีสุขภาพดีคราวนี้พอเราลึกถึงอนาค ต, ตภัยแล้วก็ได้เรื่อง เร่งทําความดีเร่งทําความเพียรเสียแต่วันนี้ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนะี้อันนี้ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่พระเจ้าตัดนะนะให้รรู้ถึงความตายไว้นะใครจะรู้ความตายนะแม้วันพรุ่งนี้เนะี่ยเพื่ออะไรเพื่อได้เร่งทําความเพียรเสียแต่วันนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผู้เจ้าสอนเวลาครูบาอาจารย์สอนว่าอย่าส่งติออกนอกนี่ก็ให้เข้าใจนะในยะหรือว่าความมุ่งหมายหรือว่าลักษณะองการส่งติตออกนอกที่ครูบาอาจารย์พูดถึงนะมันไม่ใช่หมายถึงว่าการเราจะเริ่มนึกถึงพระธรรมประสงค์เริ่ึกถึงครูบาอาจารย์ของเราเริ่นึกถึงความดีที่เราเคยทําในอดีตไม่ได้นะ นึกได้นะถ้านึกให้ถูกนึกให้ดีมันก็เกิดกุศลนะช่วยทำให้เราเกิดความไม่ประมาทช่วยทำให้เราเกิดการเกิดวิริยะการระดมความเพียรหรือทำให้ทุกที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันบรรเทาเบา บ, า, บางเพราะความทุกข์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความทุกข์กายด้ยวนะมันเป็นความทุกข์ใจด้วยแล้วความทุกข์ใจมันก็เป็นเรื่องเพราะจิตเนี่ยมัน ไปวนเวียนอยู่กับเรื่องตัวตนนะเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องตัวตนเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอนะหมายถึงความทุกข์กายนะเช่นปวดเมื่อยเนี่ยมันก็จะมีความยึดเกาะสําสคัญต้นหมายว่ากูปวดกูเจ็ บ, ก, จบกูเมื่อยไอ้ตรงนี้ที่ทําให้ทําให้ทุกข์มากนะแล้วคนก็ยแย้แยแมหมาว่าไอ้ตรงไหนทุกข์กายตรงไหนทุกข์ใจมันรวมรวมไปหมด ไอ้ทุกใจเนี่ยเยอะกว่าทุกกายเพราะว่าความยึดติดในในตัวกูหรือความยึดติดในอัตตาเนี่ยเพียงแค่เกิดความสังเขปหมายว่ากูเจ็บกูปวดนี่ก็ก็มากพอแรงเนี่ยที่ทำให้เกิดความทุกข์มากขึ้นแต่พอจิตเนี่ยมันมันวางตัวนี้ได้เนี่ยเห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวดเนี่ยโอ้ยความความปวดมันหรือความทุกข์นี่มันลดไปเยอะเลย อย่างที่เมื่อสักสองอาทิตย์ก่อนนี้พาคนไปมีการลกลมนะเตรียมตัวตายตอนเช้าก็พาคนไปเดินคนแก่ๆนั่นแหละรอบนี้นะแปดสิบก้าสิบอร์เซนนี้อายุห้าสบห้าขึ้นไปก็บอกเขาว่าใครเดินถอดรองเท้าก็ได้ไม่เดินถอดรองเท้าก็ได้ก็มีบางคนเดินถอดรองเท้านะ คือเห็นใจคนแกนะ่ปกตินี่ก็ให้ถอดหมดนะแต่คนแก่นี้ก็รอบนี้ก็ก็ไม่บังคับให้ถอดก็ได้ไม่ถอดก็ได้บางคนก็อยากจะลองถอดดูแล้วก็เดินถนนถนนมันลาดยางก็จริงนะแต่ว่ามันถูกน้ําำยางมันถูกน้ํากัดซอกไปเยอะแล้วมันก็เลยจะกรวดกรวดหินแล้วก็คมด้วยเพราะรถไม่ค่อยแล่น เดินก็เจ็บหลายคนก็บอกคนลุกเลยเหงื่อตกทั้งที่ตอนเช้าปวใจเต้นไม่ทันเหยียบเลยนะคือหลังจากที่เหยียบไปซอกพักนี่พอจะเหยียบอีกนี่ใจเต้นก็บอกเขาว่าเนี่ยให้มันดูใจด้วยเพราใจมันก็ไปซ้ําเติมกายใจที่บนไวไว่นโวยวายตีโพยตีพายหรือใจที่ไปไปเกาะเกี่ยวไปปักตึงอยู่ต่อความเจ็บความปวดที่เท้า วันต่อไปก็เดินใหม่ก็มีอาจารย์คนนึงอายุเจ็ดสิบแล้วเนี่ยแกบอกว่ามันเบาเลยนะพอมาดูกายพอมาดูใจเนี่ยถอดรองเท้าเดินนะมันเจ็บมันเจ็บนะแต่พอมาเห็นใจนะเห็นพอมีสติมาดูใจนะใจที่มันเคยบนโวยวายใจที่มันไปปักเตงอยู่ที่เท้าพอมีสติปุ๊บนี่รู้ใจปุ๊บนี่มันเบาเลย มันคลายเลยไม่ใชว่ามันโล่งเลยะเท้าปวดแล้วปวดแต่ว่าใจมันโล่งคือที่เป็นที้พอใจมันไม่มันใจมันวางเน่ะใจมันวางไอ้ความเจ็บความปวดที่เท้านความปวดเท้ายังมีอยู่แต่ว่าความปวดใจมันหายไปแล้วความรู้สึกเบาที่ที่ใจนี่ก็เลยทําให้รู้สึกว่าก็เลยทําให้เห็นว่าความปวดเท้านี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ ก็เลยเห็นตอบว่าไอ้ที่ปวดปวดปวดจนไม่ไหวเนี่ยเปนเพราะความปวดใจมากกว่าอันนี้เพราะว่าถ้าพูดแบบหลุนบัลลพุ่ ม, เ, มเขียนคือมันไม่ได้เห็นความปวดมันก็เป็นผู้ปวดเข้าไปแล้วนะแต่พอเห็นความปวดก็อโอ้เบาวเลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปีของการที่มีสติรู้รู้กาย ร, รู้ใจนะจึงบอกว่าเวลาความความโปวดเนี่ย ความปวดใจเนี่ยมันจะต้องมีความปวดใจเข้าไปเกี่ยวข้องเสมอนสําหรับคนส่วนใหญ่และเป็นความไอความปวดใจนี่มันก็หนีไม่พ้นเรื่องตัวกูันี่แหละจนเกิดความสําคัญมาม า, มากูปวด น, นี้อย่างต่ำๆนี่ก็คือตัวนี้แหละความสําคัญมามากลัวปวดกูปว ด, ปวดนี่ถ้าเกิดว่าเรามีการนึกถึงอะไรบางอย่างเนี่ยที่ทำให้ถอนจิตออกจาก ออกจากตัวกูหรือวางตัวกูได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีทั้งนั้นนะใช่แล้วเลื่อนึกถึงคนที่เรารักด้วยแล้วทําให้เกิดเมตตายอยากช่วยเขาทําให้ทนความเจ็บความปวดความทุกข์ของตัวเองได้หรือกลายเป็นเรื่องเล็กๆอย่างน้องโยหรือว่าชาวฝรั่งเศสคนที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องว่าไม่ส่งจิตออกนอกนะไม่ดีนะเพราะมันไม่เกี่ยวกันนะ เวลาผูดว่าสง่งอย่าส่งเจอะนอก น, นี่มันหมายถึงว่าไม่ให้เราเนี่ยละเลยสิ่งที่กําลังทําในปัจจุบันหรือละเลยสิ่งที่ควรทําแต่ในยามที่เรามีความทุกข์แล้วนี่ถ้าเกิดนึกถึงอะไรบางอย่างที่ทําให้เราทุกข์น้อยลงมันก็ดีนะยิ่งเป็นการการนึกที่มันทำให้มันไม่ทําให้เกิดผลข้างเคียงที่เสียหายนะยิ่งดีเข้าไปใหญ่อย่างเช่นคนมงคลเนี่ย นึกถึงบางอย่างแล้วมันทำให้ทุกข์น้อยลงไปชั่วคราวแต่ว่าเกิดผลข้างเคียงในระยะยาว ก, ก็จะไม่ดีนะนเช่นไปบนบานสารกลานะ่าพระพรมไปหาไปหาผู้คนที่ตัวอช่วยเป็นผู้พิเศษที่จะช่วยปัดเป่าผมน้ำมนต์หรือว่าบางทีก็ ที่มีความทุกข์เรื่องเรื่องสามีหรือว่ามีความทุกข์เรื่องเรื่องคนรักเราไปหาผู้วิเศษที่เขาตั้งตนว่าเขาจะช่วยได้บางทีเขาก็หลอกนะ <c oughs> เขาก็มีการทําพิธีต่างเรียกเงินแพงๆลูกค้าก็สบายใจนะมีความหวังว่าเดี๋ยวปัญหาจะหมดอันนี้ความทุกข์ก็ลดลงนะแต่ว่าเกิดผลข้างเคียงคือเกิดความงมงายหรือว่า เสียเงินมากหรือบางทีเสียเนื้อเสียตัวก็ถูกหลอก อ, อย่างนี้ไม่ดีนะอะไรก็ตามที่มันพอเรานึกถึงแะไรบางอย่างที่มันทําให้ความทุกข์เราลดลงแต่ว่าไม่มีผลข้างเคียงหรือทําให้เกิดจิต ท, ที่เป็นกุศลมากขึ้นก็กปเป็นสิ่งที่ควรทํานะเช่นอุทานุสติธรรมานุสติสังขารนุสติจ า, ารานุสติศีลานุสติหรือแมก้กระทั่งบารณะสติก็ช่วยได้นะ เวลาทุกข์เพองเงินหายกุ้มหมวกุ้มใจพอคิดถึงความตายไว้ต้องเกิดขึ้นแล้วนึกตอบแบบโอนเนี่ยมีทั้งมีกี่มีกี่ล้านก็หมดนะนั้นเสียแค่นี้ยังทําใจไม่ได้แล้วถึงตอนวันที่ต้องเสียหมดนะทั้งคนรักทั้งทรย์สมบัติที่จะทํำยังไงหรือพอคิดถึงความตายออาก็ไอไอการสูญเสียกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลย มันทำให้ปล่อยวางได้นะมันก็ให้เราเข้าต้องรู้จักนะเข้าใจนะว่าเวลาครูบาตาจารเนี่จะส่งจออกนอกเนี่ ย, ออนนนยมุ่งหมายอะไรและทำในโอกาสไหนนะใครเดียวกันก็รู้จักใช้อนุสติให้เป็นประโยชน์นะในเวลาที่มีความทุกข์หรือว่าในเวลาปกติก็ก็ระลึกถึงได้เพื่อทำให้จิตใจนะเกิดความมั่นคงในธรรม จิตใจเป็นกุศลจะได้มีกำลังใจในการทำความดีหรือว่าฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ชาญิภูกระานี้นะครับคระ